ขอความเจริญในธรรมจะ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ ร, ร่มประโิธิญาณในวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องพุทธกาลกถาธรรมในข้อที่สองคือบารมีธรรมในข้อที่สองแต่อย่างที่บอกท่านชาวชนเอาไว้แล้วว่าการเรียงบา ร, รมีเนี่ยมันก็แล้วแต่ท่านจะเรียงนะครับตรงนี้เป็นเรียงเป็นชันทลักมา คือทานังสีลังเนี่ยก็เรียงเรียงแบบชั้นมาแต่ว่าเราเรียงแบบชาดกอย่างทศชาติสิบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เรียงทานก่อนเรียงอะไรไม่สําคัญแนหะว่าที่จริงในการจเจริญกุศลเนี่ยมันก็มีธรรมะหลักอย่างบารมีเนี่ยก็มีตัวหลักทางศีลเนคขมะปัญญาเนอกนั้นก็เป็นอุปการะคือทุกครั้งที่ให้ทานมันก็ไม่จะให้ทานอย่างเดียว เดี๋ยวถ้าเราวิเคราะห์ตรวจสอบให้ดีก็จะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเปน็นอันมากเอาเ ย, ยกตัวอย่างในเราอ่านหนังสือธรรมะนี่ก็ดูแล้วคล้ายๆอ่านหนังสือธรรมะแต่ว่าก่อนจะอ่านเนี่ยที่จริงมันมีศรัทธามีประสทาทะมีฉันทะความพอใจมีวิริยะความเพียรพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็จิตใจจดจ่ออยู่ในเรื่องดอกนั้น ในขณะที่อ่านมันก็มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้วิตกวิจาร์ไปเยอะเลยนะลองนับธรรมะดูดิทีนี้เวลาเนี่ยมันมันก็มีอะไรอย่อย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็เจอบ่อยล้วมาเป็นคนไม่ชอบคำว่าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ชอบถ้าไม่จำเป็นแล้วจะไม่เข้าเลย และถ้านิมนต์ถ้าไม่จาเป็นก็อาจะไม่รับเลยคือทำามาคือรู้สึกว่ามันอวดขี้โอขี้อวดพระพุทธศาสนาเรียกว่าอารามวัดเนี่ยก็เรียกว่าอารามแปลว่าสถานที่ที่ทําจิตใจรื่นรมคนเราปฏิบัติธรรมทุกคนแหละไม่มีใครที่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติมากหรือน้อยปฏิบัติระดับใดนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะในการตั้งคำวาชื่อวานักปฏิบัติธรรมนี่คือโอ้วดคือขิ้โม้มันเป็นลักษณะของอะไรล่ะแมลงปองนะฮะนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบวธรรมเดโชแช่มช้าพิษน้อยหญิงเจโสแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีเนี่ยเราเห็นว่าเขาเรียกวัดพอมาถึงเมืองไทยเรียกวัด เรียกว่าอารามเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะว่าก็คล้ายๆกับถ้าไม่เขียนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าลองเข้าไปมันก็บางทีก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหรือมือเรื่องคนอื่นๆนั่นแหละเพราะคนเราในทำสามีทําหน้าที่ของสามีดีพ่อทําหน้าที่ของพอดีแม่ทําหน้าที่แม่ก็ปฏิบัติธรรมร น, นะฮะ คนขับรถก็ขับรถอย่างมีสติสมัมปชัญญะไม่ประมาท ก, ก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอ่ะทำไมจะต้องไปผูกขาดล่ะคนในโลกดีมันมีตั้งเวลาเนี้ยมันมีตั้งหกพันเจ็ดวบรวเจ็ดพันล้านแล้วนะก็ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมอ่ะแต่บัณฑ์ธรรมมันมีสามกลุ่มคือกุศลอกุศลสล่วนใหญ่เราจะบองที่กุศลนักกุศลเนี่ยที่อยู่ในอกุศลก็เป็นการปฏิบัติธรรม ฝ่อกุศลแต่ว่าดนหลักการปฏิบัติเดี่ยวพระเจ้าทรงวางง่ายๆว่าพึงประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตอันนี่คือหลักเพราะคนทุกคนมันก็มีหน้าที่มีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะ ต, ต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นจึงปฏิบัติทำแล้วคนอีกตั้งหลายพันล้านแล้วทํำยังไง นนี้คือคับแคบความคิดในี่ับแคบศาสนาพุดมาเป็นการแสดงสัจจะภาวะคือความจริงมันเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแหละและการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเราปฏิบัติธรรมใครก็ได้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนที่ที่เพื่อนไหวอยู่ในโลกเนี่ยที่ยิงก็ปฏิบัติธรรมมันจะมากหรือน้อยเป็นรายละเอียดของเขา ตลนศีลเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเรามองจากนิยามก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยคนมันเกิดกุศ ล, ลเจตนาขึ้นมาเช่นสมมุติว่าไปเจอเงินก็วางทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่หยิบช่วยเอามันก็เป็นศีลในขณะนั้นแม้เราจะไม่สมาทานศีลอะไรมาก่อนเขาเรียกตรงนั้นว่าสัมปัตตวิระหรือบางครั้งก็เห็นว่า การกระทำอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรเป็นการทําลายอนาคตของตัวเองเลิกดีกว่าเลิกดื่มเหล้าดีกว่าเลิกซูปบุหรี่ดีกว่าเลิกสิ่งเสพติดดีกว่ามันก็เป็นสีแน่ น, นะแต่เป็นการงดเว้นระดับเด็ดขาดเขาเรียกว่าสมุทรเชตวิรัติพวกนี้ไม่แน่กเ็เลิกได้นะแต่ว่าก็สมุทเฉษสมอบเขาคือตัดขาดสมอบเผาขาดจริงหรือไม่จริงไม่รู้ก็ต้องรับผิดชอบเอา แนวสมาทานสีนี้ที่จริงเป็นแนวรูปแบบเฉยๆสีไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานอะไรเพราะสีมันเป็นเจตนาเป็นการงดเว้นเป็นการสํารวมระวังเป็นการไม่ร่วงละเมิดเจตนาการกายวาจาเันปกติซึ่งหมายความว่าใจก็ต้องปกติด้วยดังนั้นในแนวของการศึกษาเรื่องบารมีเนี่ย ก็จะพยายามขยายในแต่ละประเด็นออกไปเพราะว่าบนเส้นทางของร่มประโกธิญาเนี่ยใต้ร่มประโพธิญาา น, นั้นเราลองสังเกตนะว่ามันก็อยู่ในกรอบตรงนี้แหละอยู่ในกรอบของอะไรละ่ะทานศีลทานศีลปัญญานั่นแหละเล้คำานั้นมันเป็นองค์รวมคือมีทั้งทานทั้งศีลทั้งทั้งปัญญาอยู่ในบทนิยามที่ท่าน ฉันบอกว่าถ้าท่านปราถนาบรรลุพระโพธิญาณแล้วท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิดแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังวาวิธีรักษาศีนี่รักษาอย่างไงไปจามารีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปจไดัดใดท่านจงบำเพ็ญศีลรักษาศีนทั้งศีให้บริบูรณ์ฉะนั้น ก็หมายความมาตอนนี้ไปพูดกับพระสงฆ์นะไปพูดกับพระสงฆ์แต่ตามปกติแล้วเราจะเห็นว่าศีลที่พระโพธิสัตว์รักษาจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่อ่านมานะยังไม่พบชาดกไหนว่าพระโพธิสัตรรว์บวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตเพราะน่จากการสังเกตว่าศีลที่รักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือศีลห้าแล้วก็ บางชาติก็รักษาศีลถึงแปดข้อไอศีลจตุปราริสุทธิศีลปฏิโมกขสมงวรเนี่โอ้เรื่องใหญ่นะะมันก็เป็นเรื่องของพระโดยตรงแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นธรรมะสี่ข้อนะฮะเพียงแต่ว่าธรรมะมันอยู่เบื้องหลังคือพัฒนาจิตระนีขึ้นไปนัยยะของศีลจึงมีจึงมีงมนัยยะต่างๆเปน็นนันมากแล้วก็ เป็นพระธรรมเทศนาในแนวที่เราเรียกว่าปริยายนะคือในยัหนึ่งในยัหนึ่งก็อธิบายขายายความไปเรื่อยเพื่อเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจจนวนข้อเข้ามากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าสีนี่คืออะไร แต่อธิบายว่าเจตนาชื่อวศีนเจตสิกชื่อวศีลสํงวรชื่อวศีนการไม่ล่วงละเมิดชื่อวศีนนี่ก็เป็นนิยามที่ภาษาดิบุตรเทระธนิยาบอกไว้แต่ว่าคําทั้งสี่คำเนี่ยที่จริงเมื่อปัดภาคภาคปฏิบัติเนี่ยจะเป็นอันหนึ่นนงอันเดียวกันเองเนออะเพราะเลยเพราะว่าเมื่อเจตนางดเว้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวเจตนานั่นแหละมันเป็นตัวเจตสิกทีนี้ ม่เจอตนางรถเพลทมันก็ต้องสํารวมระวังไม่หลุดระเบิดในการสํารวมระวังเนี่ยาการสำรวจระวังถึงจุดหนึ่งก็คือการไม่หลุดละระเบิดเพราะงั้นเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัยของการแข่งกันการนิยามในแนวนี้บางทีมันก็ก็รุมรังนะฮะคือคือก็เจอบางบางแห่งคือหนังสือบางระดับระดับหลงัลงๆมาเนี่ยคือเราเห็นว่ามันก็ความมันก็ซ้ําอ่ะ มันก็เหมือนกับ่าสาลิเกบางทีนึงเหมือนกับ่าสาลิเกเราถึงมุมีฤาษีดาวบทอง์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วเราก็เดินพระก็ดำเดนินพระก็คลรรายคลาฤาษีเดินนะฮะผละความเยอะเลยพูดสองคําในฤาษีเดินทั้งหมดเด็กเป็นคําว่าเดินทั้งนั้นเลยคําว่าเดินคําว่าฤาษีนี่ก็เป็นข้อความที่ฟุ่มเฟือยแต่ทําไมละ่ะ มันจําเป็นจะต้องพูดสมหรับคนกลุ่มหนึง่งคนบางกลุ่มหนึ่งพูดเป็นภาษาทางวิชาการโดยหลักวิชาการจริงมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องพยายามขยับขยายอธิบายไปเรื่อยบางสินน่งเรเนี่ยพอมารวบรวมข้าวเนี่ยคือต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าคําบางคําเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสวงแสดงเองไม่ได้หมายความมาอธิบายหมดอย่างนั้น แต่ว่าพระครูบาอาจารย์รุ่นหลังนี่มันมีคุณอุปการต่รอพวกเรารุ่นหลังมากนะฮะเพราะว่าท่านไปรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกันยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าเช่นทุเจ้าอธิบายเรื่องขันติเราจะว่าขันติก็แล้วแต่ว่าจะเทศกับใครบางทีเป็นการอดทนต่อความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติต่างๆที่กําลังเผชิญเช่นหนาวจัดร้อนจัดร้ายๆ ก, นกนันกำลงเผชิญบางทีก็ เป็นการประรบถึงภารกิจการงานที่จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยความดการความอดทนบางครั้งคนเหล่านั้นก็ประสบทุกภยัยโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียนเสียดแทงรุนแรงอ่าก็พูรืบอทนที่เกีย่ยวกับโรคเสียดแทงแต่บางทีมันมีลักษณะทางอารมณ์ที่มายยโย่ไปโยโ ย, ยวน่ะส่วนใหญ่จะพูดโยโ ย, วยว่ไปยโยวนก็ต้องอดขั้นอดทนดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แล้วมันก็กระจายอยู่ตามกลุ่มคนที่ทรงแสดง ครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังท่านก็นำมาสรุปไปก็ทำให้เรารู้ว่าเออไอคันตินี่มันมีสี่เนือยะอะไรกันตนท่านนอกจากรีสี่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่คันติแล้วนะเช่นสมมติว่าลักษณะกระทบทางอารมณ์เนี่ยเช่นว่าลูกมันเกะ ก, กะมันเล็วไหลมันไม่เรียนหนังสือมันไปมั่สุมกับเพื่อน ไม่เป็นไรต้องอดทนเอามันเป็นอารมณ์ที่เราไม่พอใจต้องอดทนเอาอย่างนี้ตายเลยนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าเราจะประเด็นได้ะจะประเด็นได้ว่าธรรมะเนี่มันเหมือนกัญยามันต้องใช้เป็นไปใช้ในการนีอะไรไม่ใช่ตอนนี้ฉันจะใช้ธรรมะแล้วบางทีก็บอกวางเฉยไม่ยอมรับรู้อะไรไม่ทํางานอะไร ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านในมือถือนี้เป็นปีๆไม่แก้ไขอะไรกันแล้วก็บอกวางเฉยไม่ใช่เจริญธรรมนะฮะคือไม่เอาตั้งเอาตั้งฐานมาคีเท่าเลยอย่างเงี้ยไม่เอาเรื่องไม่รับผิดชอบแล้วเราก็มาโอ้อวดกันนั่นเป็นความสับสนของคนเคยพบว่ามีพระบางรูปพระเราเนี่ย ไอ้นีน่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่เอาลูกศิษย์ก็เชียร์ค่ๆคก็หลงพ่อนี่โอ้กิเลสหมดแล้วสันโดษเดือเกินไม่ยินดียินรายอะไรเลยเขาเรียกว่าพระไม่เอาเรื่องไม่รับผิดชอบคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยภาษาริบุตรพระโมกขลานะั่ทั้งไม่ต้องทำงานพระหานีทำงานสุดชีวิตเลยเนะฮะเอาเรื่องเอาราวศาสานาตลอดระยะเวลาเลย พราะวาภารกิจทั้งท่านทั้นเสร็จแล้วแล้วก็ทุบเตะแก่นคนอื่นทีนี้คนบางคนเนี่ยคืออะไรล่ะก็เรียกพวกองมุนเปรี้ยวก็มีแล้วก็เพื่อแสดงว่าที่จริงเนี่ยฉันฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉันไม่ต้องการแันไม่ยินดีนะไม่ยินดีที่จริงคือเรายินร้ายนะจะลื ม, มาบางทีที่เราบอกไม่ยินดีกเพราะเรายินร้าย เพราะในการการเรื่องเรื่องมองเรื่องศีลก็ เ, เหมือนกันโดยปริยายแล้วนี่ในยะต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสริมกันแล้วต้องมองเหตุอีกด้านหนึ่งด้วยหมายความถ้าไม่มีแล้วจะเป็นยังไงสมมติว่าไม่มีเจตนาที่จะงดเว้นเนี่ยมันยุ่งนะโลกมันยุ่งเลยนะคนต่างคนไม่มีเจตนาที่จะงดเป็นเลยเห็นเข้าของเงินทองต่างๆฉกได้เป็นฉกหยิบได้เป็นหยิบเขามยได้โลกยุ่งตายเลยดี๋ยวไม่ได้ เพรก็ต้องมีเจตนามีความตั้งใจที่จะหมดเป็นแต่ก็นอกจากนั้นก็นกติดตามมาทาราธิบาอีกในย่าหนึ่งว่าเจตนาชื่อว่าสีได้เกิดเจตนาอันประกอบด้วยกรรมบทเจ็ดคือกรรมบทเนี่ยที่จริงมันมีสิบนะแต่ว่าอีกสามข้อหลังเนี่ยมันเป็นระดับเขาเรียกมโนคือระดับใจไมไ่ออกไปจากข้างนอกสีนี่จะแสดงออกมาจากข้างนอก เกือการกายกับวาจาพูดอะไรก็พูดไปเถอะมันเป็นศีลเช่นว่าห้ามพระห้ามเคี้ยวจับจับผ้ามเคี้ยวสูดสูด้ห้ามนั่งเลี้ยวมือห้ามอ้าปากเอาไว้เมื่ออาหารยังมาไม่ถึงห้ามมือเพื่อนจับผ้าจะนะอะไรต่ออะไรไม่ใช่ห้ามอลืมไปคือว่าพึงศึกษาสำเนียกว่าพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจับไม่อย่างนั้นจักไม่อย่างนี้จักไม่อย่างนั้นก็ที่จริงก็คือศีล ภาษีมันแสดงออกมาทางกายกับทางวาจาแต่ต้องมีเจตนาภายในนะฮะถ้ามีเจตนาอยู่ภายในใจคือตั้งใจไม่ใช่ว่าเออไม่มีเหล้าแล้วเราบอกว่าไม่มีเหล้าจะดื่ม ท, ทั้งที่ดื่มเหล้าอยู่นะไม่มีเหล้าจะดื่มเพราะตอนนี้มีภามีคนคนหนึ่งวันก่อนนายยังสูบบุหรี่อยู่อีกแหละทิ้งแล้วฮะคือทิ้งเฉพาะมวลที่สูบไปหมดฮะแต่ก็สูบต่ออันนี้มันไม่ไม่ ไม่ใช่กดเว้นจริงไม่ใช่ตารุจระวังจริงเพราะเราเห็นว่ากําหนดเจ็ดข้อแรกเนี่ยมันก็เป็นกายกรรมอยู่สามเป็นวิจิกรรมอยู่สี่ข้อก็คือกดเว้นจากการค่าสัตว์กฎเว้นจากการลักทรัพย์กดเว้นจากการพูดผิดในทางประเวณีกฎเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลแค่เท่า น, นั้นน่ะวิชาไม่ดีและเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่จะเรียกอย่างไงก็ตามนะ โดยเห็นว่าบางครั้งนี่กระโดดลอยไปเลยนะเช่นทรงแสดงในอาภัยราชกุมารสูตรบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหมผู้ฟังชอบใจไหมเดูกาลเทศะที่จะควรจะพูดเราจะเห็นว่าจริงก็ดีนะฮะจริงก็ดีเป็นธรรมก็ดีหรือว่าเป็นประโยชน์ก็ดีเนี่ยไอ้เป็นธรรมก็เป็นประโยชน์เนี่ยตรงนี้ไม่คล้ายๆจะไม่มีนะแต่ที่จริงคือท่านงดเป็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์แล้ว แล้วก็เป็นสัจจะแล้วเขาถือว่าเป็นปริยายเทศนาที้การพูดเนี่ยเราพูดกับคนเพราะในการพูดกับคนบางทีดิเราไม่ได้ยินคนําเหล่านี้แต่บอกเมตตาวาจาหรือป ah ิยะวาจาคําเหล่านี้จะไม่มีอยู่เลยแต่เราไปได้ยินคําใหม่นะว่าเมตตาวาจาเมตตาวจีกำมังปัจจุปฏิตางโหติสมมุเดนยเข้าไปตั้งเมตตาทางวาจาเอาไว้ หรือว่าในสั ง, งาวัตถุเราก็พบคำว่าปิยาวาจาแปลว่าจาอันเป็นที่รักหรือว่าจาที่น่ารักก็แสดงอะไรแสดงว่าเมื่อพูดวาจานั้นออกไปเนี่ยเรารู้สึกดีต่อคนที่เราจะพูดเรารักก็ตามเราไม่ตาก็ตามเนี่ยตรงนี้เรามีต่อตุกคนเลยนะ พระญาณนี้มันเปล่งกับคนไม่ได้เปล่งกับต้นไม้นะะมันคนเราก็มีเมตตาหรือมีความรักไม่ได้แปลกอะไรก็กำลังป ร, รบรู้เรื่องความรักนะกำลังวิเคราะห์เรื่องความรักในเรื่องวาเลนไทยกนะ็เรียงลำดบับไปเห็นว่าในเรื่องเส้นวาเลนไทยไม่มีความรักเรื่องเพศเลยไม่ได้มีเรื่องเพศสัมพันธ์เลยนะฮะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่จะวิคเคราะห์เหตุว่าที่จริงมันเป็นธรรมะ แล้วก็เหมือนกับที่พุทธศาสนาสอนแต่ว่าพอดีพวกนี้รับมาเผยแพร่พวกฝรั่งเนี่ยมันเอามาเข้าเป็นธุรกิจไปเฉยๆบาเลนไทยถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะผสมคลมเกลืนกับวันมาคาโอชาได้เลยเนี่ยเพราะเลยเพราะเป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของพักดีเป็นเรื่องของเมตตากรุณาที่บาเลนไทยเขามี มีต่อพระเจ้ามีต่อมนุษย์มีต่อผู้คุมก่อนจะถูกประหารมีต่อเด็กอะไร อ, อะไรนี่ือมีเยอะก็ยังนึกว่าเออวันหลังนี่จะวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมาก็เป็นเล่มนะทําเป็นเล่มอาจจะส่งไปให้หนังสือพิมพ์สยามรัฐก็พิมพ์ก็ได้ก็ยังคิดอยู่แต่ตอนนี้ก็ทําไปได้สิปะ่ะนะก็อจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยพวกนี้ระดับศีลธรรมจัญยาอย่าไปคิดว่าเรามีพวกเดียวนะเขามีกับทั้งนั้นแหละในโลกเนี้ย แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะทําได้ดีกว่าเราอาตมายังชอบใน่างประเทศบางประเทศเช่นอังกฤษอย่างเงี้ยนะอังกฤษที่เราไม่เห็นไอ้เด็กปั๊มอะไรเลยอาตมาเคยเซเว่นอังกฤษ ต, ตลอดทั้งหัวถึงท้ายอนะพวกนี้ซีแลนด์เป็นคนขับรถพาแล้วก็พวกอะไรแคนาดานะแคนาดาเป็นคนนําแล้วก็นั่งสบายแล้นะกาให้รถเบนไปนขันนึง เราไม่เห็นนะไปถึงปั๊มเราก็ไปถึงก็เจ้าหน้าที่ก็ลงมาถึงก็เติมน้ำมันดูสตางค์ขึ้นอะไรก็ใส่ไว้ให้ในในอะไรเขาเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีคนขายต้องการจะซื้อก็เอาสตางค์ใส่ลงไปให้เขาก็หยิบซื้อพิมพ์มาเอาเครื่องดื่มเหมือนกันตอนนี้ก็เออพวกนี้เก่งรู้สึกว่าก็มีสีน่ะนะเป็นคนดีมีศีลธรรม จะ แ, แสดงว่ามันเป็นสาตวมันมันเป็นสํานึกแบบมนุษย์อ่ะว่าแนวกุศลกับบดในแง่ของความจรงิงกุศลกับบุคือมนุษยธรรมแต่ว่าเราไม่ค่อยศึกษาค้นคว้ากันนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินว่าสีหน้าคือมนุษยธรรมในระดับประบาลีก็ไม่เคยเจอนะในระดับของอัตากถาก็ไม่เคยเจอแต่ว่า กุศลกบฏเราเจอที่อัติกถาท่านบอกว่ามนุสธรรมมาติกุศลกรรมปัฏฐานไม่ใช่มนุสธรรมมาตินามากุศลกรรมปัฏากุศลกบฏสิบประการชื่อว่ามนุสยธรรมดังนี้ท่านวิเคราะห์ให้เลยนะฮะท่านท่านท่านอธิบายไปวิเคราะห์ให้เลยทำไมมันมันมันจริงเยอะละ่ะ เราเห็นว่าสีเนี่ยสีสีสอะไรเจตนาที่เจดข้ออย่างที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากความเห็นชอบเอ้เมื่อเราก็กลับไปที่ปัญญาแบบฐานเลยความเห็นชอบคือปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของความมีสีเน็นโทษของการไม่มีสีแล้วก็สำบวมระว่ังเจตนามดเว้นไม่ทวงระมัดจนอาการกายวาจากปกติก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันจะมีตัวสัมมาทิฏฐินี่ยเป็นหลักเราจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เดี๋ยวสัมมาทิฏฐิก็ได้นะ เรียกว่าความรู้ก็ได้ก็ไม่รดว่าอะไรนะคือสรุปถ้าถ้าสำรวจอภิธรรมเรียกปัญญาเจตสิกคือปัญญามันต้องเกิดแต่ระดับไหนเข้มข้นอย่างไรเนี่ย ก, ก็แล้วแต่บางทีมันระดับของอะไรละ่ะโยนิโสมนสิการคือคิดเป็นระบบขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจสำรวจประวังทีนี้แม่ก็อธิบายว่าเจตนาชื่อสีนี่ได้แก่การไม่เพ่งเล็ง อยากได้ของผู้อื่นไม่จองล้างจองผานแต่ความผิดถูกก็หมายความว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นภายในใจมันไม่ใช่ศีลตรงนี้ไม่ใช่ศีลแต่ว่ามันเป็นธรรมะเป็นมนโนสุจริตเพราะงั้นในความเป็นกุศลกับบทศีก็ดีในความเป็นศีลก็ดีเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเป็นหลักคือมีสมาธิเนี่ยปัญญายินชอบเป็นหลักปัญญายินชอบได้แง่ ของสมาธินินะท่านจะเริ่มที่กรรมวิรรมสิกตาสมาธิิคือบัรยายเห็นชอบในกฎของกรรมเราแสดงว่าสีนี่คือคื อ, ค, อคือการงดเว้นเนี่ยก็คือเป็นกุศลกรรมโลละเมอก็เป็นอกุศลกรรมทีนี้เมื่อเราเห็นชอบในกฎของกรรมแล้วก็มองกรรมได้ทั้งระบบมีเจตนามีการกระทํามีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่สัมผัสในขณะนั้นๆขณะต่อไปขณะต่อต่อไป แล้วก็กลัวบาปรกรรมแต่ก็ต้องการผลที่เป็นกุศลกรรมคือพูดง่ายว่าเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ต้องการความสุขและตระยงได้ว่าความทุกข์นี่เกิดขึ้นมาจากอะไรความสุขเกิดมาจากอะไรก็แสดงว่าก็มีความเห็นชอบในตัวเขตุมันก็ขับเคลื่อนนําจิตไปสู่ที่จริงไม่ใช่สิบข้อนะฮะก็มากมายแก่กองขอให้พลงังเราสมาธิเกิดมากพอเท่านั้นเอง ดังนั้นสมาทิฏฐิจึงถือว่าเป็นหลักหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาเราอาจจะพูดว่าเริ่มต้นจากสมาทิฏิแล้วก็จบที่สมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้นะเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องเห็นชอบพระพุทธศาสนาสแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นชอบในอริยสัจทั้งสี่ประการฮะโดยความสมบูรณ์พร้อมแห่งอปปริเบาปีองแปด เติมฟังทนายตารมมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี